มือนีเป็นลึกสันวันดีเป็นวันพระขึ้นสิบหาคัมแต่ทุกปีมือนีเป็นวันมาฆะบูชาแต่ว่าปีนี้แปดสองหนก็เลยเป็นขยับไปอีกเดือนหนาเดือนหนาจึงเป็นวันมาฆะบูชาแต่เป็นทุกปีก็นี่แหละมือนีแหละเป็นวันมาฆะแต่นี่เป็นปีนี้เปนแปดสองหนก็ได้เลื่อนไปเป็นเดือนหนาเป็นวันมาฆะ อันนี้ก็คือมือสันวันดีมือหนึงวันออกไปมือสันวันดีที่สองฝนไม่เคยตกเลยปีหนึ่อบวชนากวันออกไปหนักขึ้นไปเลียนนา้าไม่ฝนตกวอนไปเมื่อนี้จะบวชนากนักหมดเลยเพราะจะบวชนากบวช้าเรฝนตกแล้วก็เมื่อนี้ที่มีบวชสามองค์บวชหนักสาม แล้วกัผู้ที่เป็นญาติพี่น้องของหนกักเตรียมตัวเนี่ยนะเส้นรับร่องบัตรประชาชนรับร่องหนกักตะกอนหอบวอดตะปูตะปูปูปูหอบวอบวอดแบบง่ายๆแต่มาถึงยุคนี้สมัยนี้มีการเส้นรับลงรับร่องกันสมัยหลวงพ่อบวอดเพดี เ, เส้นรับร่องอยากเลยครูบาอาจารย์รับร่องนะก็แล้วอันนี้มันต้องมีการเส้นรับร่องคณะนาค บวชเขาไปแล้วทำตัวพอดีทำตัวมีปัญหาผู้รับผิด ช, ชอบติไม่ไลเชื่อรับหนกักรับรองหนกักเลยต้องเป็นผู้รับผิด ช, ชอบเลยเพราะนั้นขั้นบดเสื้อหนักเก็บของอยิ่ไปหารับผิด ช, ชอบไปเลยเลยงี้บวชประตูเมตตาขั้นหลูกหล้านกันหลูกหล้านไปหากินยาบ้าย า, าย้า่ยังไง ยังไปรับร่องมาหาเส้นสัญญาเส้นรับร่องเนี่ยติดคุกเด็กน่นี่บ่เอาผูเส้นรับร่องเด็กนี่เรียกว่ายุคสมัยดีเฮ็ดอย่า ง, ดงไดรมันก็ บ, บกอกขัดคนไปอย่างหลวงพ่อเคยเบอกอยัางหมูอว่านหมูก่กอนใส่ผ้าอยู่ใส่ไปหาป่นโยมจ้าสัตว์มันก็มีดเลยมหาในพวกเข้าผมผ้ากันมาปะน้ามพระบ่า น, นีล พระบอดีจังสันพระบอดีจังสันพระเฮตจังสันพระเฮตจังสี่ลงไปปมผ้ากันปะน้ามทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งปากต่อปากแต่ตามไม่จริงแท้ค่ะน้ำว่าสืบบังกะกักเน่ยผูกที่มันเฮตจังสันนะมันเป็นสันดานสันดอนมันจะใส่มันเป็นสันดานสันดอนมาตปอตะเมตะปูใจยายตาย่ายจะเป็นคราวาสมันก็เป็นนักเลงโต กินยาบ้ายาหมากินขันซายาฟินเป็นนักเลงปน่นสะดมจนอยูว่วะไรจนญาติพี่น้องเอาบอยู่น่ะไปยังคอยพักมาบวชพ่อพักมาบวชบานี่พ่อมาบวชเป็นพระแล้วปานี้มันบดลดละนิสัยเดิมมันเด้พอมาเป็นพระมันแมนยุกเด็กหัวโลนก็ผ่าเหลืองคุ้มมันไว้แห้งเก่งกว่าเก่าอีกบาดเลยลวดไล่เก่ามันก็ออก พาะหลวดไล่เขาออกกันนัในระบาเนี้่มือว่านมือก้อนพระกินเหล่าเม่าเลยไปปนเอารถเขาแกล้งเขาวัดเขาไปจับไลยนั่นเอก็หลงพอก็ได้ยิ่งเขาว่ามาไม่ไหมนี่แหละถ้าสรู ป, ปิงแล้วมันเป็นมาจัางใดเป็นมาจากตระกูลมาจากก้นต้นกําเนิดไปเอาคนชัวมาบวชเอาข้นที่สังคมไม่ยอมรับแล้วเอามาบวช พอมาบวชเราปะหนา ม, มันเนี่ยปะน้าสถาบันพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพันสอนเป็นข้นเป็นคนดีเด้ให้มีศีลธรรมเด้หมดตัวหนึ่งพันกว่าเห้์ขาเด้ป่าหน้าทีนหน้ากาเมมุสาเป็นสิ่งที่โชคกบกเป็นสิ่งที่บอดีเนอะแต่พ่เขามาแหละมันบมนเหตตามแทระบาลเนี่มันเอานิสัยเกา่าสันดานเก่านะมาสื่อเพิงลูกบาลเนี่ยนที่สัสวสวพาที่สัสวสวทั้งหลายแหล่ให้เข้าสื่อประวัติเพิงเป็นมาตราสาเป็นมาตรา น, นุ่ะ แต่พอตาเมอเอาบ่าไหวยังคอยพักดันเขามาบวชพอเขามาบวชแล้วมาชวในศาสนามาเนี่ยปนัามพาาันศาสนาหลวงพ่อบบอเป็นธรรมบ่นรรไปทั้งที่ดีที่ถูกที่ต้องเนี่ยข้นปนั่มพ่อแม่ปุญญาแตายนน่ยายกคนเป็นอยัางเงี้เอาข้นัวมาบวชในศาสนาเป็นอยังมลเลือกเอาสรรให้คนดีๆมาบวชเอ อ, อนนี้ฟังไวนะ้นะนี่ น, นั่นๆพวกเขาจะจดีฟังเนี่ อย่างลงพอบ่อเมีนบ่บัตเอาไปคิดเิ่งนบบัต เ, เตาไ ม, ม่จริงทังที่ดีนี่เออลูกของเฮ้าพุกนีถึงใช้กัังไกับว่าเป็นที่คนสีสัวซาลามกต่อเป็นคนดีอยู่ถึงจะบหดีเลิศกับในขันดีบ่ถึงกับเลวบ่ถึงกับเดือดร้อนพีนองพอแม อ, อถึงจังไงก็เป็นคนดีในสกุลของเฮ้ามูของเฮ้าคือบัตคือเมืองพนอันนั้นกดัดีหรือดีกว่านันเออลูกของเฮ้าพนีร้านของเฮ้าพวกนี้ เลียนหนังสือก็เก่งหัวก็ดีนิสัยกิริยามมรย่าตัต้งแต่เกิดมาเป็นคนดีมาตลอดหาที่ตำหน้บ่ได้เป็นนิสัยอ่อนน้อมทอมตนกระพอกระเมยปุยยาแต่ย่ายว่องสาขาใญาติให้จ้งสี่แหละคนจะไปบวชในศาสนาเอาไปบวชเป็นพระพวกเข้าจะได้กาบหรือความสนิทใจเมื่อเขาบวชแล้วนะเป็นคนดีมาตั้งแต่ตนเฮากราบหรือความสนิทใจพอวันเป็นคนดีเมื่อเป็นพระเพื่อนก็ต้องเป็นคนดีอันนั้น แปลว่าอันดับหนึ่งมวลไปอันดับสองลงมากกวเป็นคือบาทคือเมืองเพลินบางทีกับมีดีมีชซัวธรรมดาเอามาบวชอันนี้ก็บย่งวดัดดีเพิินเขามากกว่าจดีย์ปับปรุงแก้ไขของเพิินแต่บางคนเนี่ยมันชันเลยวเพแห้งนะบ้านนี้เอามาบวชบวชแล้วมันบอกเปลี่ยนใ น, ใ น, นยิสัาายสเรีบบาดนี่เพราะว่าพอเปลี่ยนนิสัยบาดนี้เสียหายแล้วาในศาสนาเนีเพราะฉะนั้นพวกเข้าต้องคิดบังหน้าแต่บางข้อประวัตเนี่ย เฮ้ยพระ อ, องค์กุลิม่านเน่ยเดชั่วขึ้นอย่างนี่เอามาบวชเพื่อนี้ได้เป็นพระหรหันเดชได้เป็นอสิตริมหาสาวกองคหนึ่งอะเดชเพิ่นชั่วประดิษาค้นทั้งเป็ดพันข้อข้นพู้นั่ะอันนี้แปลว่าภูนั้นบ่ได้ศึกษาเรื่ององค์กุลิม่านให้ชัดเจนจ้แจงองค์กุลิม่านเป็นมากยังไงบ่ได้บ่ได้ศึกษาให้ดีก่อนเขไปศึกษาแต่ว่าเบื้อไป เบื้องต้นเหตุของเพลินองค์กุลิม่านเพิ่นเกิดมาจะใส่เกิดมาจากเป็นลูกของโปโลโหิตตายจารย์เป็นลูกองค์ข้ามนตรีเกิดมาในวงในเวียงในวังของพระเจ้าประเสียรที่โกศลพอเกิดมาแล้วนิสัยดีจากหนะั้ทรงไปเรียนหนังสือเรียนหนังนสือกับเลียนเก่งอีกจนเป็นที่ยอมรับของคูบาอาจารย์แต่ว่าพวกอิจฉาทั้งหลายแหลนะ่เนักเรียนน้ากันทำไมก่อนเป็นนักเรียนกินนอนเนะเป็นนักเรียนกินนอนอยู่ในกลุ่มบานนี้นักเรียนทีน่ ก, กินน้อนเห็นว่า ไอ้อหิงสาเนี่ยไปเขากับอาจารย์เนี่ยนิสัยอาจารย์ไห้เนื้อเชื่อใจมากไอยังกัไอหิงสาไอยังกัไอหิงสาคนไปพวกมูตั้งซีหาลอยอิดเช้าคไปหาเหลืองใสไอหิงสาเฉลีวหาว่าไอหิงสาเนี่ยมี่ยังกับเมียของอาจารย์ได้เหรอเป็นเด็กที่พอดีได้อาจารย์จะไปเสื่อใจได้เหรออาจารย์ก็ออกมันจะเป็นยังไงเด็กดีแค่ยังไอหิงสาเลพอที่สุดเขาจัดตั้งเนี่ เออเราเลียงหารลอยมือหนึ่งยี่สิบหกคนเของมอว์บอกมาเลี้ยงกันมอว์บอกอีกชักซีหาหกเจ็ดมือเอาอีกสิบหกคนเของมอว์บอกอีกสักสิาาบยี่สิบมือเอาอีกสิบสิบห้าค น, 10, คนเขาาเองมอว์บอกโวยอาจารย์กันเอียงเอเทแล้วเออพอว่าเสื่อลูกซิดเลยเอ๊คณาควา ม, มันบวสัวเขาคงมอมามอว์หลายปีเนาะอันนี้มันมันเขาคงจะเห็นหมดกูคน่ตึกแถวไม่จริงมันแทร่ทีแท่มันจัดต่างกันเด้ จัดตั้งเขามาโซอาจารย์วันออไปขีตัวอาจารย์ยิจฉาอเิงสาวันออไปพรในสุทธอาจารย์ก็เลยว่างแผนขาดุสิตทุนทบัตเนีเอ่อบอกว่าจะให้วิชาอันดับหนึ่งเลยเขนะว่าเอานิวมือโคดมาให้อาจารย์เป็นค้าไขาวันออกไปตั้งไข่หนิวมือพันหนึ่งวนออกไปที่แรกอสิงสากับว่ามินิาสายสิงสาเนเพิ่นก็บว่าอบขึ้นกันเนี เปนกระเพเอาพรนิสุดอาจารย์ขยันขยอบเาอาจารย์ที่ขาดูกทิศอยด้วผู้หนึ่งเจตนาดีผู้นึ่งไม่เป็นสันพระสุทธิ์ขยัาขยอลูกิกับเจตนาดีเป็นวว่าอาจารย์เสหายหลีเอาอาจารย์เสียหายหรีอผมก็สู้เราสันขันว่าอาจารย์ว่ามันดีพระนิสุกธิเลยขาคตตั้งแต่มือแรกแล้วลงไปไปขอดีมืดเขาเขาสียหายที่ไหนน่ผมขอดีมือได้เขาเ่เพื่อเป็นค่ายอาจารย์น่ไพสียห้มันบ่นะ พอห้ยมันก็ดาบตัดข้อมัวกัตัดข้อก็ตัดเอานิ้วมือตัดข้อตัดเอานิ้วมืออช่โอมันบมเมนเก่าลอยเก่าจเก่านิ่วเด้เออตามไม่จริงพ่อตัดแล้วไปเน็บไปตดใหม่เอาไปเน็บเอาไว้พุมิใหม่ไว้เอาไปเนบเจ้งาใหม่ไว้เอาไปฟังดินไว้เอาลงไปเออมนจักนกจักกามันเอาไปกินละบ่ข้อมหามันหลงหลงหาหลงมองไว้เด้่เหมือนเลื่อมมองไว้เอาลงไปองค์นี้ จิตใจมันล้นเล่ไปแหงน่อยเดียที่ไปหาที่เป็นสมาธิจังไลยเลื่อมวงหนาลืมหลังเอาไปมาโอ้บ่ไใดมันเหียอย่งหาเสือกอปล่อยเสือกเคลื่อนยนตมากว่มาเนยมัมัดพ่อขาคนไดแล้วก็มั่มัดเนี่ยนิ่วมือใส่ก็มั่้อยใส่ข้อไว้แงมยางโยบายเพิ่งว่าโจนองค์คุลิมานะองค์คุลีคือนิ่วมือนน่อะไรไปโจนที่มีนิ้วมือในข้ออะไรไปโจนองค์ุลิมานโจนวนไปองค์ุลิมันโจน อโจรมีนิ่วมือในคอกันอาไปผุนน่ะตังเก่าลอยเก่าชุบเก่านิ่วอยู่ในข้อน่ะั่งขาดอยู่นิ่วหนึ่งขันผู้ไรมากขามัดกันเอาไปมันเลือดเข่าตาเลยเลยขันแมวมากก็จะขาแมวีเอาไปบวบไหวภัยทั้งหมัดกันเอาไปให้ได้มันครบพันกันเาไปผุนน่ะเออแสดงว่าจิตใจองค์ุลิมานโจรเป็นจิตใจที่แน่วแน่ที่สุดเลย์กันเอาไปหาคนแต่ยังสั่นในหยักแต่บัดนี้พระผู้ไรเจ้าเห็นว่าโอ้องค์ุลิมานเนี่ย โจนพวกนี้นิสัยแนวแน่คณาว่าขาแม่ใช่แล้วอนันตริยกรรมหามาตุขาดปีตุขาดอรหันตะขาดโลหิตตบาตสังกเกเพศหายางเนี่เป็นบาปนักที่สุดถ้าแม่นเป็นคนมีเสรษยีกับคนเงินธนาบัตรเขามาเต็มสลาอย่างเหนียวไฟจูดวนไปหาหนึ่งไม้เลยนับหนึ่งไม้เอีบาปกับหมักถ้าเขาขาแม่มักผลนิพพานทั้งหลายป้อมมีแล้วพวกพุทธเจ้าจะไหนเป็นโปรดองค์ุลิมานเนีพระ อ, องค์ุลิมานกันยอมรับ ยุทธสมณยุทธของพระธเจ้าแสดงดิถิองคุลีมันลายพระพุทธเจ้าเล่ายุดแล้วสันเล่ายุดแล้วองคุลิมานสันเล่ายุดแล้วสยุดธทำไมสมนณโกหกสัยุดเลยทำไมจึงวิ่งอยู่สันเล่ายุดในการขาสัตว์เล่ายุดในการเบียดเบียนอ่เล่ายุดในการทำลายโค่นแล้วสันเล่ายุดแล้วสิ่งเหล่านั้นที่เธอทำอยู่เดียวสันเธอเองยังไม่ยุดธสันพระองค์ุลิมานได้ยินท่านว่างดาบเลยเขาไปฟัง พระผู้ได้เจ้าผู้ไ เ, เจ้าก็หายธรรมเพลินก็ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันตะ์เนี่ยฟังดยสิ้นองค์ุลิมานโมเมนสันดานโมเมนสันดานสัวลงไปมาถูกอาจารย์สัวแนะนําไปทางที่สัวลงไปเอก็เลยเป็นคนสัวเออมันตรงกันขามเด้เออบางค้นลูกหลานห่อนมันสัวมันตั้งแต่เอาบรอยู่ตั้งแต่พอต่อตาแม่ผลข้าจีเอาไว้กัยันขาพ่อขาแม่ขาลูกขาเมียเลยจับพักหลังเข้ามาบวช พ่อบวชก็เลยมาส่วในศาสนาอท่านทีว่าประนามสิปัฏนี้สิปนามศาม ส, สนาผมขึ้นจีปนามพระ เ, เป็นอย่างยังสอนบไรีว่างสันติอันนี้แปลว่าสังคมมนุษย์สังคมในเมืองไทยของเขานี่มองมองปลายเกินไปมองมองหาเหงามองมองหาต้นเหตุคันทางที่ถูกเออลูกหลานเด้มันส่วไอ้ที่มันบวชมันบวดเข้าไปแล้วมันปรับปุ่มแก้ไข กายว่าจ่าของเจ้าของไปบวชในศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ขาวสะอาดสอนคนให้เป็นคนดีแต่พวกเข้าเอาคนชั่วเข้าไปไปเปื้อนไปดําไปเป็นมลทินในศาสนาของพระพุทธเจ้า เ, ออเป็นของบอดีหนาตํานี้ต่อไปคนบอดีบวกควรออกมาบวชในศาสนาควรจะเลือกสรรเอาคนดีมาบวชในศาสนาจังสรรมันจึงสิถูกได้ลงพอว่า ข้าน่าว่าพวกเขาเนี่อย้างพวได้บอกก็บอกน้ำเขาด่ากระดาษน้ำเขาด่าศาสนาเนเดี๋ยว บ, บาป <c oughs> บาปบาปมัตกมหาเจ้าของเลยนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดขายายวุ่นหรือเป็นแนวความคิดให้พวกเข้าเอาไปคิดไปนู้บตีหลวงพอบ่าเนี่ยมันแมนบอกแต่นั่นๆพวกเข้าจะได้ยินไอ้พวกเข้าบางท่านบางคนเป็นพ่อตูมตาก็บอกเคยได้ยินแจักเทอร์พระบอกแบบนี้ เ, เอาไปออาจจะได้ยินมือนีก็ะได้ เ, เอาลงไปอ หลวงพ่อนี่ยบอแปลกแ ป, ก แ, ปกแตกต่างมูอยู่เด้เออให้เขาบอให้คิดบอแมนบอกระแทกกระทั่งกระแทกแดกดันบอให้คิดมันแมนบอวนออไปให้ช่วยกันคิดที่หลวงพอบอให้ฟังเนี่ยมันแมนบอวนออกไปขั้นมันแมนก็เออพวกเข้าคนจะสืบเจ้าค้นปฏิบัติเอเจตนาดีจะสืบบุพเพได้การเจตนาดีไปทำร้ายผู้อื่นมันม่นแมนแนวเออในขั้งประเทศจีนคือกัน อประเทศจีนพระเจ้าแผ่นดินเจตนาดีได้ผู้ใดติดคุกมาเลยเอามาบวชพอออกจากคุกแล้วเอามาบวชขั้นโมบวชบ่ ไ, ได้บากคนถึงขั้นชูสีลบวชก็ได้เพให้ติดคุกเออทําความซัวล่ะเขาก็บวชแล้วเพระบวชเขามากกว่าโอ้มิตรจดผู้ใดเต็มาศาสนาบาเนี่ยเต็มบัดเต็มว่าพวกเข้ามาสิคดักป่นเรดักขี่ดักชุดดักกลากเอาไปมากคนเลยบกเขาวัดเขาว่ า, าศาสนาก็เลยลอมจมเลยวันนช่วงนั้นวนนีไป เป็นโจนผู้ไร่แม่วัดในี่ยว่าพอว่าเอาคนชัวมาบวชเลยอันนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งคือกันเป็นอุท่าหอนคือกันอันนี้ก็คือเรื่องการบวชนะบวชในพุทธศาสนาบวชโมเป็นของง่ายๆเลอบวชมังคือบวชมักแตงบวชกล้วยเขายัางไยในเตรียมนําห้อนน้ําอุูนเตรียมกะทิมะพร้าวเตรียมน้าตุเตรียวมันตาดเหมือนบวชละอบวชพระนี่ยก็คือกันนะั่นนะเนี่งว่าหลวงพ่อเอกหนาบมาบวชหลายเดือนมาเบิ้งกิริยาเมลายา่า เบื้องการเป็นอยู่เออเอาเอาขาหมูได้นิสัยดีใช่ได้บวชได้หลวงพอยังให้บวชได้แคัเ่เป็นข้าราชการมากกว่าเออเป็นข้าราชการยังไงก็วงการข้าราชการเขายังรับรองแต่ขนาดนั่นก็ยังถือกันได้ปีกายปีกรโอ้หลวงพ่อเนี่ปวดหัวกับข้าราชการโบนทาวันไปข้าราชการมีอยูหูถแถวหนีวันไปฟังเอาไว้นะไอเลีเ้ยวๆก็มีขึ้นกันเอลยยังว่าหลวงพ่อปวดหัว น้าปีกอนนะ่ะโมเมนต์ปีกายนี่วะนี่แหละอันนี้สรุปแล้วคือมีทุกวงการนั่นแหละว่าเ อ, อเรื่องวัดว่าศรสนราพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีเห็นขลาราชการทุกวงมันก็มีอยู่ละคนชัวแปรปลอมเข้ามาแต่ถึงยังไรก็ตามพวกคนดีต้องเบ่งคนชัวอย่าให้มีคนชัวคนชัวมีอํำนาจให้คนดีปกคล้องบ้านปกคล้องเมืองคนชัวมันก็จะให้สกัดออกมัดมันเขาอะไรเมันก็มีโยวนลงไป ในหลังกายของเขานี่นหละอ่โอ้ยนี่เมื่อมันงอโอ้ยนี่โมมันงอบ่ได้เราตัดทิมซ้ํากับบ่แมนอีกคนออกไปเอีมันงอกับมันงออยู่หันละเหตุจางไหนมันอยู่ของเขาวันออกไปอ่แต่ก็อย่าให้มันใส่งานอย่าให้มันใส่ความจำเปลี่ยนมากคนออกไปเนี่ยอย่าให้มันออกแขกหลายคนออกไปเนี้ยเมื่อมันงอคนไปกระซีดลบๆเลี้ยงๆมันไว้เดาคนไปอ่ลักษณะันอันนี้คือกันข้นชัวขึ้กันนะอ่าพระซัวขึ้กันคนซัวขึ้กันอันนี้เขาก็ต้องเบิ่ง ต้ อ, อ, อคนดีออกมาดูแลประเทศชาติบ้านเมืองวัดวาสศาสนายิ่งจะจะเลืิอนดุเรื่องไปได้นะอันนี้ก็คือเบาเรื่องการกดระเบียบสําหรับให้พวกเข้าเป็นแนวความคิดแต่สําหรับคิดส่วนตัวของพวกเข้าบ้านคิดส่วนตัวของผว้เข้าเขาเกิดมาจากใสเกิดมาจากทองพอตกแม่เป็นอย่างยังเกิดมาเข้าบูดจักแต่ว่าเขาเกิดมาแล้ ว, พวเพอเกิดมาแล้วก็นเนี่ยเป็นไงเป็นนุมเป็นสาวขึ้นมา แล้วจะหอดไปอยู่หอดใส่หอดหอดอยู่หอดมือตายหอดลงไปตายแล้วชักไปใสอีกอันนี้คือวัดตะวันของมนุษย์ชาติพระพุทธศาสนาลักษของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเพันสอนไปได้ก่อนที่มาเกิดมาจากไหนมาเกิดวิญญาณมาถือปฏิสนธิในท้องแม่จากนั้นเก้าเดือนสิเดือนก็ออกมาเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายต่อมาก็เป็นหลุมร่างขึ้นมาร่างกายมนุษย์ของห้อง มีร่างกายสองอย่างคือลูกประถมกับน้มามันถ้ำลูกประถมเนี่คือร่างกายหน้ามาันถ้ำคือจิตใจอาศัยกันอยูเอ่เมื่อตายไปแล้วร่างกายก็แตกอีกวนออกไปลูกประถมเนี่แตกอีกแต่น้ามาันร้ำนีย่ยออกจากร่างไปอีกไปปฏิสนทีใหม่อีกสรุปแล้วตายแล้ว aller, บ่อศูนย์วันออกไปศูนย์คือร่ 0, า, ót, รางกายจิตใจบ่อศูนย์บาปปูนคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงวันออกไปตายแล้วบอ่อศูนย์ เพราะนั่นพวกเฮาให้สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลใส่ใจของเจ้าของไว้นะใส่หน้มามันถ้ำคือใจนั่นแหะตัวพรตายนั่นแหะนั่นแหะจนกว่าตัวนั่นมีบุญบา ร, รมีบุญนักซักไงสัมฤทธิ์กิเลสราคาโทษสะโมหะเป็นพระหรหันจิตใจบริสุทธิ์มื่อใดว่าอะไรสกัดกิเลสออกมาเมื่อละจิตใจบริสุทธิ์ล่ะอันนั้นแหะเป็นพระหรหันบาตนี่บ่หมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารแล้วบาดนี่ เข่าซูนิพ่านนิพานั่งปรามังสุก ข, ขังนิพ่านเป็นซุขอย่างยิ่งแล้วไปพออย่างนั้นพวกเข้าสางบุญสางกุศลใส่เจ้าของเน้อนรกมีอหลีเด้ตายไปทําซัวตกนรกเด้นรกเมืองมนุษย์ก็คืออย่างคือคุกห น, น, น, นึ่งเด็ดทําความซัวเข้าไปไปตีไปขาไปโคดไปโกงไปปุ่นไปจี้พิษกฎหมายกับเขาคุกอันนี้คือนรกเมืองมนุษย์ค่นาว่าเข้าตายไปแล้วทําความซัวไปแล้วพระองเห็นออกเถอะบาฮาตายไปแล้วปัานนี้พรยะยมพอบานมันพ้นจุด อย่ไปแล้วบัญชีอของเพลินนะพลอยเฮ็ดอย่างพลอยเฮ็ดอย่างคือกันกับจดใซ่คอมพิวเตอร์นั่นแนหะเป็นอยัางเขาจดอะไมันหลายปันโอยบตอตรงบอกแล้วคอมพิวเตอร์ของพญาของบานแห่งละเอียดพอนไปเอ่หันพลอยทาความส่วนจดเส่นังมานเอาไปโดดขวากขวกโดดลงไปนังมานาอาลงไปขันพลอยทำความดีจดเส่แผ่นท่องแผ่นท่องเข้าไวโดดเลยจดจดจดไปโดดลงไปเออบัดห้าไปอาหอดบัห้าตายไปเลย เจ้าถ้ำกรรมดีกรรมชั่วยังซีนะ่แม่นบ่อน่ยปฏิเสธบุตรใดเด้ดพราะเครื่องคอมพิวเตอร์เขาบอกไว้ทุกเวลาหน้าที่เลยเด้ mm hmm. เอเนีเขาก็ลางข้อไปนรกบเป็นเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิชานใส่หนีกรรมไปละบาทขันทาวาปุระทำบุญกันนั่นแหะส่งไปสู่สุกติโลกสวรรค์ไปพ้มไป เ, เป็นชัน้นชันต้นตอนไปละบาทนี่เพราะนั้นคนเท่าเกิดมากยังบุคือกันเป็นบมดละขันทาาเลือกเอกิเกดใดก็่า อ, อ, อันนี้มันเกิดเลือเกิดบุตรใดเไได้ ไอ้พ่อใหญ่พ่อกรรมผ้ามาเกิดวันนั้นพวกเข้าให้สร้างกรรมดีไปเนอนะยาประมาทให้เสื้อพ่อพระพเจ้าเสื้อกูบาอาจารย์ไว้ให้ทำบุญทําท่านไว้รักษาศีลภผาวนาไนวา้ไหวพระสวดมนต์ล้วนแลยจะเป็นบุญกุศลทั้งมรดละเมื่อนี่ก็ได้มาบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาก็เป็นบุญกุศลยางมหาศาลขึ้นกันนะพอเขา้าในบวชพระมื่อนี่ยวันนั้นให้พ่อผ้ากันทํามือความตั้งอกตั้งใจท่ามือความเต็มใจบุญบุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงนิพพานมี นานๆพวกข้าได้ม่าได้มาสร้างบุญสร้างกุศลเด้บวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาพระที่ห้องมาบวชไว้ในพ้นทังอกตังใจรักษาศีลภาวนาเพิ่มมัดกิเลสตัวนั้ไปเป็นพระาลหันโอ้ยบุญกุศลของข้าพวพกวันถึอเหล็กรางวัลที่หนึ่งบนเรา่เปรางวัลที่หึประเทศไทยได้เรื่างวัลที่หึ่ปุณห์นอะอังกฤษอเมริกาลอยลอยล้านตัวน่ะร<ม>วยเลยเหล่านั้นไปการทำพ้นตังใจภาวนานะ เออเพื่อนเป็นพระละหันคันนว่าเพื่อนขี่คานภระวนาบาเนี่ยเข้าก็นจมไปด้วยคือกันเน้ี่อคือกันครับทรงอลูกหลานพิซ่าอุ้งสันนะ่ะไปหอดพุ่นไปหาให้กินเหล่าเม่ายาไปหาตีหัวแข ก, กเกี่ยนี้จับเขกก้อโคกคนไปใครหน้าก็เลยถึงจึดทรัพย์มไปออันนี้คือกันน ะ, เ, ะเพื่อนนั่นพวกพระลูกหลานของข้าต่างอกตัางใจพระว น, า, นะเะ น, า, วนาเนี่ยคันพาะวนาเนี่เป็นพระละหันอลูกหลานญาติพี่น้องมาบวชโอยบุญกุศลมหาศาลหอดไป กันว่าพวกเข้ า, าบ้าบัวเนขี่ขานกี่ขานแล้วเนี่ย้ะทําตัวเป็นคนชัวพระซัวอีกว่าเนี่ยพวกป่านห่าทรงลูกหลานไปเมืองแขกไปทํางานน่ะนะหน้าทั้งพี่กระถูกยุดทั้งพุนกรติสโคกพุนออกไปว่าเป็นผลดีสําหรับรพวกเข้าวันหนพวกเข้าให้เสื้อเนีพระพุทธเจ้าเสื้อในี่กู้บ่าจานเนี่ยลงปูลงตาเพราะแม้กู้บ่าจานเข้าลงปูหมันเปิ่นเผาวาน่าเปิ่นเห็ดมดละนโลกสวรรค์มีจริงเนี่ลูกหลานเนี่ยตายแล้วพอศูนย์ ตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นยาประมาทให้เบื้องเจ้าของเขาสิตายถิแท้เด้อันเดียวนับปุอายุของเขาเท่าไรแล้วเดือนีลยหมดถึงหลายปีเด้อันนั้นคือมาตรฐานเพราะถึงมาตรฐานกับจักสีตายหไดเก็บปุหงไหลตายก็มี่นอนตายไม่กินเขาอิ่มๆตายก็มีตกรลดตายก็บมี่ตกน้ามันมี่เนื้อกึชรพัดย่างออกไปการตายของมนุษย์เพราะนั้นเขาสิตายแบบไหเขาก็ะ่มมีปุไรหงุ่เพราะนั้นคณะที่ย่งพระท่านตายนี่ให้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ บาฮาตายเลยจะให้ผู้อื่นเฮ็ดให้การผู้อื่นเฮ็ดให้มันหมดถือหรอก บ, บางที่เอาเงินไปให้เขาว่าให้เขาไปซื้อขอ ง, ของเขายังไปซื้ออือ่นไอซื้อยาให้กูได้เร่อบางที่เขาไปซื้อเหล่าท ID. ท ID. คนน่ะอันนี้คือกันบาเฮาตายไปเลยซื้อตั้งบุญให้กูได้อพูน่ะเขาเอาไปซื้อเหล่าซูมูกินคนน่ะบาฮาเอามาถวายทำบุญทำท่านซีหบาทหนึง่งบาฮาไปซื้อหนังฟังร่ำคนน่ะเป็นหมื่นเป็นแสนคนน่ะมันล้วนลแล้วต่จะเอาบาปใส่ผู้ตายตังหะเพราะนั้นเฮายังมีชีวิตอยู่นี่ เหตุอย่งเข้าสีสางอย่งเข้าสางเาลดบ่ต้องค่อยลูกค่อยหลานบ่ต้องค่อยพี่ค่อยนองบ่ต้องค่อยไผ่กันออกไปไปวัดไปว่ารักษาศีลภาวนาหายท่ า, ทานทำบุญบัวแ ม, ะ ม, ะเมนเจห้ท่านอย่างเดียวจะเป็นบุญบัแ ม, เมนเด้รักษาศีลเป็นบุญภาวนาแห้งเป็นบุญหลกันออกไปวายพระสวนม่อนก็เป็นบุญมามบวชหน้าสัางศิษก็เป็นบุญขึ้นกันนะบัแ ม, เมนเให้ควักเงินออกจากกระเป๋าเป็นบุญบัแ ม, เมนเด้์อันนั้นก็เป็นบุญส่วนหนึ่งคือกันหัวหน้าไป อแต่เขาจะไปหาคืนแต่ว่าทำท่านในว่ายังเป็นบุญมาแมนรักษาศีลกัแมนพ่อวนหน้ากัแมนไปฟังเทศฟังธรรมยังเมือนเดี๋ยะได้มาได้ฟังผลงพอ่อว่าก็นั่ไปคิดไปพี้ยรหน้าปรับปรุงแก้ไขเจ้าของเออตายแม่นอิหลีได้หลงพอ่อว่าตายอิหรีได้เกิดมาว่าถึงลอยปีได้อโบควนประมาทเด้อไหวพลาสวดมนต์ไปวัดไปว่าเน้เอพระสงฆ์องค์เจ้ามาบิณฑบาตนาบานา้บานานาเฮื่อนกับไสบ้านนั่นแหละทำบุญทำท่านเอาไว้ เพื่อจะกินพบนายชาติหนาตัวนะว่านะวมือนี่หลวงพ่อเบาเ่าวพรเป็นวันพระพบคุบานุคุบานอยยุ้งเขาไปแห้งแล้วมั้งเอาละพ่อฉบับ น, นี้เนอะ